เป็นไงนะสุขสบายดีมไหม <c oughs> ผ่อนคลายยิ้มละรื่นอ <c oughs> ธรรมยถาคราั้งนี้นี่เราได้ทำหลายหลายอย่างที่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่มีธรรมยร า, าเป็นต้นมานะเช่นวันแรกเนี่ยเราก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินเรียบอ่างเก็บน้ําลําปะทาว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากได้เห็นแผ่นน้ําแล้วก็ท้องฟ้า เต็มตาเนี่ยจะจะอยู่ติดชิด ก, กันเลยนะแผ่นน้ำกับท้องฟ้าบรรยากาศก็สงบเย็นดีถึงแม้เราจะเคยเดินผ่านเขื่อนลำปาวมาหลายครั้งนะแต่ว่าไม่เคยได้เดินเรียบผืนน้ำนใกล้ชิดขนาดนั้นวันนี้ก็เช่นกันนะเราก็ได้มาพักแรม ที่เขตรัสพปปันธ์สัตปบป่าภูเขียวซึ่งมันดูเหมือนทางไกลทางไกลจากภูแลงคาเพราะว่าถ้าเรานั่งรถจากวัดนี้ไปเขลรัสปพปันธ์สัต ป, ป่าภูเขียวที่เราตรงทุ่งกำมังนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงขับรถนะแต่วันนี้เราอเพียงแค่เดินเท้าแม้ใช้เวลาเป็นวันแต่ก็ใช้ระยะทางไม่กี่กิลิกิโลเมตร นะก็ได้มาพักแรมแถมได้มาได้มาเล่นน้ำสายน้ำนะที่เย็นใสาจากป่าต้นน้ำแท้ๆเลยเป็นป่าต้นน้ำที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเป็นเขตรักษาพัสัตว์ป่าก่อนหน้านี้เราทำย่าตาเคยนะได้มาพักแรมอยู่ริมห้วยแต่มันก็ คุณภาพของน้ำและลำพวยก็แตกต่างจากที่นี่มากเช่นตอนที่ไปพักแรมอยู่ที่ป่าใกล้ๆบ้านพ่อประจักษ์นนั้นปี57สายน้ำก็เล็กกว่า น, นี้แล้วก็ไม่ได้มาจากป่าต้นน้ำโดยตรงธรรมยทตาเคยไปพักแรมอยู่แถวอุทยานแห่งชาติตาโตนคนก็ได้เล่นน้ำแต่ว่า มันก็ไม่ได้มาจากป่าต้นน้ำจริงๆหรือเต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเขื่อนก็คือเขื่อนที่เราได้ได้เดินเรียบนะเมื่อ 3- าสี่วันก่อนน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ น, ะน้ำทีอ่อยู่ในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำแต่พอมันผ่านป่าในอุทยานตัดตน้นมันก็ เริ่มใสขึ้นเพราะว่ามีออกซิเจนเติมเข้าไปนะขณะที่น้ำผ่านกาบแก่งไม่เพียงแต่ได้มาพักแรมอยู่ในเขตรัามาีสัตว์ปาบูเขียวแล้วก็ได้มาเล่นน้ำนที่ใสไหลยเย็นยังมีโอกาสได้นะมาตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามทำตาเขาอยางก่อนเนี่ยกว่าจะจะได้ลงน้างําทินก็คำ่ำแล้ว เพราะว่ามาถึงก็เย็นนี่เรามาตั้งแต่บ่าย2มาถึงแต่บ่าย2แล้วก็ได้เล่นน้ำอาบน้ําเต็มที่แถมมีบริการอาหารเย็นฟรีด้วยนะแต่ก่อนไม่มีนะมาถึงก็เย็นแล้วไม่มีคนไม่มีการเตรียมอาหารอะไรนี่ผู้มีจิตศรัทธานะก็เตรียมอาหารให้กับเราแล้วก็ มีกิจกรรมที่หลากหลายนะแบบสบายๆผ่อนคลายก็ไม่รู้ว่าธรรมยตาครั้งต่อไปจะมีบรรยากาศแบบนี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งการที่ได้มาเที่ยวได้เล่นน้ำนะในเทศลสปันส์สป่าภูเขียวแบบนี้เพราะว่าสายน้ำนี้นะอีกสองสปีข้างหน้าก็อาจปะเปลี่ยนไปเนะพราะการสร้างเขื่อนหรือที่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำ ก็จดจำมาไว้นะเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นอดีตนะที่ไม่มีทางหวนกลับในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้ามนเมื่อเราได้มาเข้ามาในเขตรัศมภาษา ป, ป่าผู้เขียวผมอยากรู้สึกได้นะจากที่เราเดินจุดพักตอนเที่ยงโรงเรียนสะพุงเหนือแดดแรงมากเลยแต่พอเราเริ่มเข้าสู่ พื้นที่ป่ามันจะมีเงาไม้นะ ท, ท่าบัพบนทางที่เราเดินมาช่วยบังแดดให้กับเราต้นไม้ทั้งหลายะจะรู้สึกนะเย็นเดินนี่กลายเป็นความรื่นรมนะไม่ต้องไปรู้สึกถึงความร้อนเพราะถูกแดดแผดเผายิงได้มา มาถึงตรงนี้เราก็ได้มาพักอยู่ริมน้ำเกื่อจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจอันนี้เป็นสเสน่ห์นะของธรรมชาตินะซึ่งประกอบไปด้วยป่าต้นไม้แล้วก็ลำห้วยซึ่งบางทีเราก็เรียกสันๆวันลําลำนาวทานนะลำนาวทานนี่ก็คือป่าแล้วก็ ลำน้ำที่อยู่คู่กันข้างบนก็มีต้นไม้คอยกันแดดให้เราข้างล่างก็มีลําน้ำใสยเย็นทีแรกมันทำให้เย็นกายก่อนแต่ต่อไปก็จะเย็นใจเย็นใจนี่ใหม่ๆนะมันก็คบ้บคู่กับเย็นกายคือ หมายความว่าถ้าออกไปเจอที่ร้อนๆกายร้อนนะใจมันก็จะร้อนตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องจากธรรมชาตินะทีแรกมเย็นกายแล้วก็เย็นใจแล้วความเย็นใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้แม้ว่าจะเดินออกจากพื้นป่าไปแล้วเพราะอะไรนะก็เพราะว่า เราไม่ได้เย็นใจเพราะร่มไม้นะแต่เราเย็นใจเพราะร่มธรรมด้วยอ่ทีแรกก็เย็นกายในร่มไม้นะต่อไปก็จะเย็นใจรู้สึกใจในร่มธรรมร่มธรรมนี่มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราได้มาอยู่ในป่าอันทีแรกก็เย็นกายก่อนนะเย็นกายแล้วก็เย็นใจพอเย็นใจแล้วเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะเราใช้ความเย็นใจเนี่ยเป็นโอกาสในการ ความเป็นภาวนามันก็จะเกิดร่มธรรมขึ้นมาในใจไร่มธรรมนี้ก็สามารถจะติดตัวเราไปออกจากพื้นป่าไปเจอแดดแรงๆบนเส้นทางที่เราเดินหรือว่าในเมืองเมื่อเรากลับไปร่มธรรมก็ยังทำให้ใจเราเย็นได้แต่ว่าร่มธรรมนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยนะความเย็นใจ ซึ่งไม้ก็ต้องอาศัยสถานที่ที่เกื้อกูลสนเสน่ห์ของธรรมชาติของป่าเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแค่ฉากหลังนะสำหรับการถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าเป็นฉากหลังสำหรับการสนสนาเทฮาฟังเพลงหรือว่าร้องรำทำเพลงกันหรือเป็นฉากหลังของการเล่นน้าที่ธรรมชาติมีคุณค่ามากกว่านั้น ก็คือเป็นที่ที่เกื้อกูลต่อการฝึกจิตรักษาใจของเรานะเกื้อกูลต่อการภาวานาอาศัยความเย็นใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในทางสมาธิภาวานาอันนี้คือผลที่พระเจ้านะได้แนะนําแล้วก็กระตุ้นให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ย ในสมัยพุทธกาลเข้าป่าเพื่อเจริญภาวนาแล้วก็มีหลายท่านนะก็ได้รับประโยชน์จากป่าทำให้การบาเพ็ญภาวนา้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ม, มีพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งนะชื่อพระภูตะภูตะเทระท่านได้เข้าไปภาวนาในป่า แล้วท่านได้พกความสุขในระหว่างที่บำเ พ, พ็ญภาวนานภายหลังท่านก็อุทานนเป็นคาถาแล้วก็มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกมีหลายท่านที่อุทานด้วยความสุขเมื่อได้อยู่ท่ามกลางป่าที่สงบส ง, งัดอย่างเช่นพระพุทธตะเนี่ยท่านก็ กล่าวหรืออุทานเป็นคาถาว่าอย่างใดณริมฝั่งทานใสมวลไม้ป่านาน า, นาพันธ์บานสะพรั่งพิสูจนั่งบําเพ็ญภาวนาอยามนั้นนะจงรู้เถอะว่าไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่านี้พปสูจนขที่เกิดจากการที่ได้บําเพ็ญภาวนาริมน้ำริมน้ำ อนะ่ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราได้บาเพ็ญภาวนาบ้างนะเราก็จะพบความสุขแม้จะไม่มากนะนะเท่ากับท่านปูตตะเทระแต่ก็เชื่อว่าจะประทับอยู่ในใจของเราได้นานทีเดียวมันเป็นสุขที่ยิ่งกว่าการไปเที่ยวนะเที่ยวห้างฟังเพลงชมคอนเสิร์ต มันเป็นสุขที่ยิ่งกว่าการได้กินอาหารอร่อยหรือว่าได้ซื้อของราคาแพงอันนี้เป็นความสุขที่ยิ่งวัตถุซึ่งมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเข้าถึงได้เร็วความสุขจากวัตถุนี่มันเกิดขึ้นเร็วแค่ได้ฟังเพลงไม่กี่วินาทีได้กินอาหารอร่อยไม่กี่คำมันก็มีความสุข เดินเข้าห้างเนี่ยแค่สองสามเก้าแรกก็จะรู้สึกมีความสุขมันเป็นสุขที่เร็วแต่มันก็จางหายไปเร็วไม่เหมือนสุขที่เกิดจากสมาธิภาวนานมันค่อยๆเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะมันประทับในใจได้นานแล้วก็ มีคุณภาพที่ดีกว่าคือมันเป็นสุขที่เย็นนะไม่ใช่สุขที่ร้อนเพราะว่าไอ้สุขที่เกิดจากวัตถุเนี่ยนะมันมันก็ต้องอาศัยการแย่งชิงต้องมีเงื่อนไขามากมายเช่นต้องมีเงินเราต้องคอยระมัดระวังว่ามันจะ ของที่มีสมบัติที่หามามันจะสูญหายไปหรือมีคนขโมยไปยิ่งอันนั้นคือพอมันความสุขมันเจอจางลงก็เป็นทุกข์ต้องดิ้นรนไปหามาอีกเรีย ก, กง่ายๆว่าเป็นสุขชั่วคราวนะแต่ว่าทุกข์ยาวนานหรือว่าเป็นสุขที่เจอไปได้วยทุกข์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจาก คบไฟที่ทำด้วยหญ้าแห้งหรือฟางเน่คบไฟแบบนี้เนี่ยนะมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าเป็นแสงสว่างที่มัวมวแถมมีควันมีควันที่ทำให้ระคายเคืองคือมีข้อดีก็จริงแต่ข้อเสียก็ไม่น้อยแถมถ้าไม่วางไว้หรือไม่วางทิ้งเร็วๆนะนไฟมันก็จะไหมมือลวกมือเอาไม่เหมือนกับแสงสว่างที่ เกิดจากดวงไฟเนี่ยที่เราได้ใช้ประยน์ตอนนี้นะมันเป็นแสงที่ใสสว่างนวลแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะทำให้ประคายเคืองอ น, นี้คือสุขจากสมาธิภาวนานะที่จริงแม้ว่าเราจะไม่ถนัดในการทำสมาธิภาวนานะแต่เพียงแค่เราทำใจว่างๆ มันก็เจอก็จะเกิดความสงบในใจได้ไม่ยากแล้วเราจะถ้าเราสัมผัสกับความสุขแบบนี้เนี่ยมันจะมีคุณค่ากับเรามากเพราะไม่ทําให้เราตาหนักว่าโอ้มันมีสุขอยู่2 อ, อย่างนะแต่ก่อนคิดว่ามีสุขอย่างเดียวที่จริงสุขมี2 อ, อย่าง2ประเภทสุขประเภทแรกเนี่ยมันเกิดจากการเราจิตกระตุ้นกาย เช่นอาหารที่กระตุ้นลิ้นเพลงที่กระตุ้นหูนะหนังที่มันกระตุ้นตาแล้วก็ไปกระตุ้นใจทีมันต้องเร้านะเราถึงจะมีความสุขอาหารจืดๆก็ถือว่าไม่อร่อยเพลงที่เฉยๆนะก็ถือว่าไม่เพราะหนังที่ฉายไปเรื่อยๆนะมีฉากลองช็อตยาวๆไม่มีดราม่าไม่มีบู๊ไม่มีแอคชั่นไม่มีบนะู๊ลังผ่าน ไม่สนุกนะมนต้องตื่นเต้นนะต้องมีเสียง Sound Effect ที่มันร้าใจถึงจะสนุกนะอย่างนักฮอลลีวูดเนี่ยนะคนคนจุดเๆมันสนุกดูสนุกได้ง่ายนะเพราะมันร้าจิตนะกระตุนกายอันนี้คือความสุขที่คนสน่วนใหญ่รู้จักแต่ม่มีความสุขอีกชนิดนึงนะเป็นความสุขตรงข้ามนะเป็นความสุขที่เกิดจากการทำให้ใจสงบ เช่นธรรมชาตินะที่สงบส ง, งัดนะยิ่งใช้ธรรมชาติในการทําสมาธิภาวนาด้วยเนี่ยจิตมันก็สงบลงได้เร็วพอสงบแล้วเราก็จะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าสุขอื่นเหนความสงบไม่มีเป็นสุขที่ประณีต ก, กว่าไอ้สุขที่เกิดจากวัตถุที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นกายเนี่ยมันเข้าถึงได้เร็วนะ แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยเยอะนะคือต้องมีเงินสมัยต้องมีเงินคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องหาเงินเยอะๆเพื่อได้พบกับความสุดชนิดนี้เพื่อมาปนเปื้อทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันทําให้ชีวิตเนี่ยนะต้องดิ้นรนนะหาเงินนะไม่จบไม่สิน้นต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งเสพต่างๆมาปนเปื้อกายและใจนะไม่หยุดหย่อน มันเป็นชีวิตที่ทําให้เป็นชีวิตที่เหนื่อยล้าแล้วก็เป็นชีวิตที่ลงเอยด้วยการที่ต้องมีสิ่งฟุ่มเฟือยมากมายในชีวิตของคนสมัยนี้เนี่ยมันมันเรียกร้องให้แสวงหาวัตถุทรัพย์สมบัติมากมากเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเขา ชีวิตคนสมัยนี้เนี่ยก็เลยเป็นชีวิตที่มันเรียบง่ายได้ยากนะมันชีวิตที่นําไปสู่ความซับซ้อนฟุ่มเฟือยเพราะว่าเป็นชีวิตที่ต้องอิงวัตถุหรือพุ่ยถั่เกิดเป็นชีวิตที่อิงความสุขจากวัตถุจิตใจของเราทุกคนนะมันต้องการความสุขร่างกายต้องการอาหารน้ําปัจจัยสี่ อันนี้คือสิ่งที่ร่างกายต้องการน้ำอากาศปัจจัยสีและความสะดวกสบา ย, ยาเช่นรถยนต์นะหรือว่าเครื่องปรับอากาศอันนี้คือสิ่งที่ร่างกายต้องการส่วนใจต้องการอะไรใจต้องการความสุขมีหลายอย่างที่ใจต้องการาเช่นความรักความอ บ, บอุ่นการเป็นที่ยอมรับแต่ว่าที่ ทั้งหมดนี้ก็เราเรียกลรวมว่าความสุขรู้ทุกคนต้องการความสุขแต่เจ้าความสุขจากไหนนะคนส่วนใหญ่ก็ความสุขที่เขารู้จักนะโดยเพราะในสมัยนี้คือความสุขจากการเสพวัตถุจากการมีการครอบครองคาว่าเสพนี่ไม่ได้แปลว่าใส่ปากอย่างเยอะนะหมายถึงการใช้และการครอบครอง่งนะเช่นมีรถนะรถยนต์ ยิ่งราคาแพงเท่าไหร่ยี่ห้อดังๆเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งให้ความสุขใจหรือว่ากระเป๋าของใช้ Name, แบรนด์เนมนาฬิการาคาเป็นล้านหรือหลายล้านหรือหลายสิบล้านแอ้คนผู้คนไข้ ค, คว้าหาสิ่งเหล่านี้เพราะว่านั่นคือแหล่งที่มาแห่งความสุขอย่างเดียวที่เขารู้จักเขาก็เลยตกเป็นทาสของวัตถุขาดไม่ได้ ต้องมีมากมากและเนื่องจากคนสมัยนี้เนี่ยความสุขจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาคุ้นเคยเพราะว่าสามารถจะทำให้ได้เข้าถึงความสุขต่างๆโดยอาศัยมือถือหรือจัดจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรก็ใช้มือถือฟังเพลงก็มือถือดูหนังก็มือถือนะวันนั้นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นแหล่งแห่งความสุข ที่คนสมัยนี้ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือหายนี่ก็จะรู้สึกมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปจากชีวิตสิ่งนั้นก็คือความสุขแต่ถ้าเกิดคนเราเนี่ยพบกับความสุขจากแหล่งอื่นแทนนะเช่งความสุขจากธรรมชาติความสุขจากสมาธิภาวนาความสุขจากการทําความดีชีวิตมันก็จะเรียบง่ายไปเอง นะชีวิตมันก็จะอิงอาศัยวัตถุน้อยการอยู่แบบเรียบง่ายมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีความสุขจากแหล่งอื่นมาหล่อเลี้ยงใจแล้วเป็นความสุขแบบง่ายๆอย่างที่ได้พูดไปสองสามันก่อนเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการเราจิต ก, กระตุ้นกายหรือความสุขจากการเสพแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการที่สงบใจสงบหรือความสุขที่เกิดจากการทำไม่ใช่เกิดจากการเอา แล้วเกิดความสุงเกิดจากการเอาเนี่ยช่วยมันซับซ้อนช่วยมันเรียบง่ายได้ยากมันต้องครอบครองมากๆแต่เป็นความถ้าเป็นความสูงที่เกิดจากการการทำเช่นทําดีความสูงที่เกิดจากการเรียนรู้ในความจําเป็นที่จะต้องไปเสดไปครอบครองวัตถุเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเองในความน้อยจากความสูงที่เกิดจากสงบจากสมาธิภาวนาแล้วเนี่ย ความฝืดเจืเกิดจากการทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์สร้างสรรค์นนะมันก็ทำให้จิตใจเกิดความอิ่มเอมเกิดความภาคภูมิใจซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หลอเลี้ยงใจนะให้มีความสุขได้เหมือนกันอ่างเช่นเด็กตั้งเรียนที่มีความสุขจากการเรียนเนี่ยเราจะพบว่าในความที่ความอยากจะไปเที่ยวอยากจะมี สิ่งเสพวัตถุมากๆอยากจะไปเที่ยวห้างเนี่ยมันก็จะน้อยลงเด็กที่ขยันเรียนเพราะเขามีความสุขการเรียนก็จะแสวงหาดิ้นรนขนขวายวัตถุหรือสิ่งเสพเนี่ยน้อยเพราะอะไรเพราะเขามีความสุขอยู่แล้วจากการเรียนมันมีมันเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงทำให้เขาเนี่ยจะหันหลังให้กับวัตถุสิ่งเสพก็ได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าขาดเลยไม่ใช่ว่าขาด เป็นอิสระจากมันเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพึ่งพา น, น้อยลงเพราะก็มีความสูขอย่างอื่นนะที่ดีกว่าเป็นเครื่องรอเลี้ยงใจถ้าสังเกตเด็กที่ขยันเรียนหรือมีความสูบการเรียนนะเขาจะแคร์เรื่องคะแนนน้อยเด็กที่แคร์หรือว่าสนใจเรื่องคะแนนเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ย ขไม่ได้มีความสุขการเรียนเท่าไหร่ไม่ได้มีความสุขจากการที่ได้รู้มากขึ้นแต่คะแนนี่มันหมายถึงอย่างอื่นที่ตามมา mm hmm. เช่นรางวัลจากพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นชื่อเสียงหน้าตาซึ่งมันก็ยังเป็นความสุขที่หยาบอยู่มีเด็กคนหนึ่งน ะ, ะชื่อยนะุ้ยตอนอยู่ม .4 เนี่ย มันก็มีการสอบวิชาหนึ่งเป็นวิชาภาษาจีนเธอเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเด็กกาละสิน์ครูเนี่ยนะรู้ว่าเด็กในห้องเนี่ยชอบทุจริตก็ครูว่าเนี่ยถ้าเด็กคนไหนทุจริตนะครูนี่จะตัดคะแนนทุกคนเลยห้าคะแนนคะแนนเต็มสี่สครูจะตัด5้คะแนนทุกคนทั้งชั้นเลยครูคะแนนนี้ก็ยังมีเด็ก นะทุจริตจับได้คนหนึ่งแต่ทุจริงๆจริงๆอาจจะหลายคนก็แต่จับได้คนหนึ่งครูก็ตัดคะแนนหมดเลยห้าคะแนนเด็กทั้งชั้นนี่นะก็ไม่พอใจไปต่อว่าเด็กคนเนี้ยที่ทุจริตเด็กคนนี้ก็เคยขอโทษขอพลอยเพื่อนเพื่อในชั้นแล้วก็มาขอโทษยุยยย้ยด้วยยุ้ยเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีขยันเรียนเธอได้เต็มเลยนะแต่ว่าถูกตัดไปก็เหลือสาสิบห้า 15. เธอไม่โกรธเพื่อนนะเธอกลับบอกเพื่อนว่าเนี่ยครูเนี่ยตัดคะแนนชั้นได้นะแต่ว่าเอาความรู้ไปจากชั้นไม่ได้เธอไม่ได้ทุกใจเลยเพราะเธอได้ความรู้จากการที่ได้เตรียมสอบเธอมีความสุขแล้วนะจากการที่ได้ความรู้เพิ่มเติมคะแนนนี่เป็นเรื่องเล็กนะจาก40เหรือ35เธอก็ไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้คล้ายกับเพื่อ ลูกของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะแต่นี่ไปเรียนไปเรียนดนตรีนะแล้วก็เรียนในวิทยาลัยที่เรียกว่าเข้มงวดมากแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้ได้สีทุกวิชาเพราะว่าถ้าได้สีเนี่ยก็จะได้ได้ทุนทุนก็ประมาณ 60,000 บาทแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่ถ้าได้ทุน มันก็ช่วยลดภาระของแม่ไอ้ลูกเนี่ยก็ได้สี่ทุกวิชายกยนต์วิชาหนึ่งไนดะ้ได้ส9จุ้านโแม่เสียดายมากบอกให้ลูกเนี่ยไปไปขออาจารย์นะแม่บอกไอ้ลูกก็บอกเนี่ยอาจารย์คงคิดดีแล้วนะถึงให้คะแนนเท่านี้ 3.9 ดไปไปร้องขอก็ไม่มีประโยชน์แล้วแม่ตอนหลังก็ได้ข่าวว่าเนี่ยถ้าถ้า ถ้าลูกเนี่ยไปเรียนกับครูคนอื่นนะได้สี่สบายเลยแต่ลูกเนี่ยตั้งใจเลือกที่จะไปเรียนกับครูคนเนี้ยแม่ก็เลยไปพูดกับลูกว่าเนี่ยทำไมไปเรียนกับครูคนนี้ถ้าไปเรียนกับครูคนอื่นเนี่ยนะได้คะแนนสี่สบายเลยลูกก็กลับพูดว่าแม่ครับนะแม่อยากจะให้ลูกได้คะแนนดีแต่ไม่เก่งแล้วครับ <laughs> อยากจะให้รู้ได้คะแนน ด, ดีแต่ไม่เก่งเนี่ยไม่ไม่อยากได้ยังงั้นหรือครับหรือว่าอยากได้คะแนนไม่ดีนะแต่ว่าเก่งเด็กคนนี้แกอยากเป็นเด็กอยากอยากอยากเก่งนะในเรื่องดนตรีก็เลยเลือกเรียนกับครูที่เทียบครูที่หินนะนะเธอก็รู้นะว่าครูอาจารย์คนนี้เนี่ยหินแต่ว่าเขาก็รู้ว่าครูอาจารย์คนเนี้ยหินนะแต่ว่าก็ ยินดีที่จะเรียนเพราะว่าเชื่อว่าทำให้ตัวเองเก่งเก่งในเรื่องดนตรีคะแนนนี่มันเอาไว้ทีหลังแล้วคนที่เขามีความสุขกับการเรียนนะใฝ่รู้เนี่ยคะแนนนี่จะเป็นเรื่องรองไม่สําคัญในทางเดียวกันคนที่มีความสุขนะกับการได้ทํำสิ่งที่สร้างสรรค์นเนี่ยเงินหรือวัตถุนเนี่ยมันก็จะมีความหมายน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีความสุขแบบ การที่จะมีชีวิตแบบเรียบง่ายเนี่ยมันก็เป็นไปได้ชีวิตที่เรียบง่ายเกิดขึ้นได้เพราะมีความสุขที่ประณีหรือประเสริฐกว่าสุขจากวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเราไม่รู้จักความสุขที่ประนีแบบนี้นะการอยู่เรียบง่ายก็กลายเป็นความกล้ามเกืนฝืนทนมันจิตใ จ, จมันจะแห้งผากแล้วก็อิจฉานะอิจฉาคนที่เขา มีวัตถุมีเงินมีทองนะมีความพังพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุมากกว่าคนที่รู้สึกอิจฉาเพื่อนนะเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือว่าเพื่อนบ้านก็ดีที่เขารวยกว่าอันนี้แสดงว่าจริงๆแล้วตัวเองยังไม่ได้เข้าถึงความสุขที่มันประเสริฐปานนี้กว่าก็เลยอิจฉาเขาอยากรวยเหมือนเขาแต่ถ้ามีความสุขจากการทาดีทาสิ่งที่ประเสริฐ หรือความสุขจากความสงบเนี่ยะจะไม่รู้สึกวันไหวเลยนะใครจะรวยก็รวยไปฉันไม่สนใจเพราะว่าฉันก็มีความสุขของฉันอยู่แล้วเปรียบไปกนะ็เหมือนกับคนที่เวลาบวชนะแล้วก็เห็นเพื่อนที่มาบวช ด, ด้วยกันนะสึกไปทีละคนสองคนนะจะรอห้อยเลยนะอยากจะสึกอย่างเข้ามั่งนะัตมาคเคยเป็นนะบวชใหม่ๆนี่เห็น คนที่มาบวช ด, ด้วยกันนี่เขาจะสึกไปในละคนสองคนหนอิจฉาเขาเดี๋ยวเขาจะได้ไปดูหนังได้ไปกินของดีอยากเป็นอย่างข้าอยากอย่างนั้นบ้างเพราะอะไรพ่ไม่มีความสุขจากการบวชแต่พอมีความสุขจากการบวชแล้วเออใครก็จะสึกไปก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยสงสารเขาดลยซ้ํานะพราะเขาต้งไปเจอของร้อนไอ้คนที่มีความสุขอันประเสริฐเนี่ยการอยู่แบบเรียบง่ายจะเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ไม่มีความรู้สึก กลามเกินฝืนทนหรือไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปไปอิจฉาใครที่เขารวยกว่าก็ามีเงินเดือนมากกว่าเนะนั้นความสุขการอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยนะมันมันจะเป็นไปได้เนี่ยหรือเป็นไปได้ดีและต่อเนื่องก็เพราะมีความสุขความสุขที่เรียบง่ายมีความสุขที่เกิดจากความสงบมีความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทำความดีได้ทําประโยชน์สร้างสรร คนมีความสุขกับการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยเขาอยู่แบบเรียบง่ายได้สบาย เ, ยเราจะเห็นพวกศาสตราจารย์ในเมืองของเมืองนอกเนี่ยหรือเมืองไทยหลายคนเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงนะแต่ว่าเขาอยู่แบบเรียบง่ายนะแล้วเขาก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจกับคนอื่นที่เขาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มีนั่นมีนี่เพราะว่าเขามีความสุขอยู่แล้วนะจากการที่ได้ศึกษาคนคว้าสร้างสรรผลงาน นั่นถ้เกิดว่าเราเราสามารถจะเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการทําความดีเพื่อเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเป็นจิตอาสาหรือว่ามีความสุขจากการปลูกต้นไม้อย่างลุงศอนกล้าศึกนะบ้านโนนสเหลาเนะี่ยอำเภอภูภูเขียวหรือว่าดาบหรือร้อยตำรวจร้อยตรีวิชัยนะที่ปลูกต้นไม้ ทุกวันทุกวันทุกวันคนนี้เขาไม่ได้มีความมีความเทือดเทยานอะไรเลยความเทือดเทียนก็ไม่ได้รบกวนจิตใจเขาเขาก็มีความสุขไงสุขกับการปลูกต้นไม้สุขกับการได้ทําความดีสร้างเปลือกกับโลกการอยู่เยียบการอยู่เรียบงานเขามันจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องกำกืนฝืนทน แล้วก็จะทำให้ชีวิตเขาเป็นประโยชน์ต่อโลกนะมากขึ้นการใส่ใจโลกก็จะเป็นไปได้เองในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่เรียบง่ายเนี่ยต้องการหรือพึ่งพิงวัตถุสิ่งเสพมาปนเปนืดอตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจทสียบหยาบด้วยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนโลกได้ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่ทรัพยากรการที่โลกมีปัญหาทางด้านวิกฤตเกี่ยวกับระบบนิเวศเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักพอตอนนี้ปัญหาที่เรียวกว่าวิกฤตธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่3าประเภทใหญ่อันที่หนึ่งก็คือการที่ทรัพยากรหรือของดีๆมันร่อยหรอเช่นปลาพดท้าย สิ่งสารสนึกความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดน้อยถอยลงสัตว์เลี้ยงปลาในน้ําม่ใช่สารเทียนหรเปล่าปลาในน้ําสัตว์ในน้ําก็ค่อยๆหดหายและธาตุต่างๆก็ลดน้อยถอยลงอันนี้เราของดีๆหรือทรัพยากรธรรมชาติมันหดหายไปในทางตรงข้ามสิ่งที่ไม่ดีกับเพิ่มขึ้นก็คือมลพิษไม่ว่าในดินในน้ําในอากาศอันนี้รวมถึงขยะด้วยนะ ขยะที่มันเต็มไปทั้งผื้นดินแหล่งน้ำแล้วก็ทะเลโอ้ตอนนี้ทะเลนี่มีช็อวลาสติกที่เห็นเห็นอยู่กับตาเนี่ยนะเห็นๆด้วยตาเนี่ยมันหลายร้อยหลายร้อยล้านตันนะขอกลับมาประมาณแป0รอยล้านตันทําทให้สัตว์จำนวนมากตายเพราะกินพลาสติกเข้าไปอันนี้ประการที่สองประกที่สามคือความ ขันฝนปนแปลของภูมิอากาศโลกร้อนน้ำท่วมฝนแรงทั้งหมดนี่สาประการนี้ถ้าสาเป็นจริงๆก็เฉพาะมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ได้ฝีมือของมนุษย์ที่ว่าก็เกิดจากการผลิตและการบริโภคนั่นเองการผลิตและการบริโภคการผลิตก็คืออยู่การบริโภคถ้ามนุษย์เราบริโภคน้อยมันก็ผลิตน้อยแต่ถ้ามนุษย์เราบริโภคมากก็ผลิตมากเราบริโภคมากนะ เอาอแค่เองเดียวเนี่ยเอาแค่เองเดียวเนี่ยเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์นี่เราเดี๋นเรากินกันเยอะมากก็ทําให้ต้องมีการถางป่าในป่าอเมซอนเพื่อปลูกอาหารสัตว์เดี๋ยวนี้มันลาไปถึงทุกประเทศเลยก็ว่าได้เมืองไทยเนี่ยตะก่อนจังหวัดน่านนี่ก็เขาเขียวก็จีเนตอนนี้ก็เตียนกลายเป็นเขาหัวโล้นเพราะอะไรก็พเพราะปลูกข้าวโพดข้าวโพดนี่เอาไปทำอะไรก็ไปเป็นอาหารสัตว์ อาหารสัตว์นี่ก็คือเพื่อเราจะได้มีเนื้อนะกินกันมากๆากการที่เรากินเนื้อมากๆนี่มันก็มีผลทําให้ป่าถูกทําลายไปทั่วโลกเลยในคามเดียวกันการที่เราใช้พลังงานเยอะไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยมันก็ทำให้มีการเผาถ่านเผาถ่านหิ น, เ, นเพื่อผลิตไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยก็หลายประเทศยังยืนกรานนะว่าจะ ขอใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่ามันง่ายดีนะอเมริกากว่าตอนนี้ก็ทรัมป์นี่ก็เป็นตัวการสำคัญที่จะยืนกรานว่าจะไม่เลิกการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าทั้งที่ก็รู้ว่ามันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรืองกระจกทำให้ลกร้อนมากขึ้นหรือถึงไม่ใช้ถ่านหินก็ถ้าเป็นเมืองไทย หรือเป็นเมืองเราก็สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ามันดูมันสะอาดดีนะมันไม่ส่งมันไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันก็ทำลายป่าการบริโภคเราก็ทำให้เกิดพลาสติกเป็นจำนวนมากเกิดขยะมากมายรวมทั้งขยะที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งทำให้เกิดก๊าซมีเทนเป็นจำนวนมาก อันนี้ก็เป็นตัวการทําให้เกิดโลกร้อนนห้จะได้ว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่เรียบง่ายกันไม่ได้หรืออยู่เรียบง่ายกันไม่เป็นเนี่ยมันมันทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยนาไปสู่การเบียดเบียนธรรมชาติเรียกวันในแทบทุกเรื่องเลยการปลูกการกินกาแฟกันในปริมาณมหาศาลนะมันก็ทําให้เกิดการ ทำลายป่ามากมายนะเพื่อปลูกกาแฟอันนี้ทศสาวดูนะไอการที่โลกมันมีเกิดปัญหาธรรมชาติเนี่ยมันก็ล้นแต่มีร่างเง่ามาจากวิธีการผลิตและการบริโภคนะของมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งพวกเรานะทุกคนด้วยนั่นการใส่ใจโลกเนี่ยนะ หรือการช่วยทําให้โลกเนี่ยถูกทําลายน้อยลงธรรมชาติมีวิกฤตน้อยลงเนี่ยมันก็สัมพันธ์อย่างมากนะกับการที่เราอยู่เรียบง่ายเมื่อเราอยู่เรียบง่ายการใส่ใจโลกเลี้ยง น, น้อยการไม่เบียดเบียนโลกไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการทําให้ทรัพยากรมันล่อยหลอ หรือเพิ่มมลพิษขยะให้มากขึ้นจนล้นโลกเนี่ยมันก็จ ะ, ะเกิดขึ้นน้อยลงฉนั้นมองให้มองให้โยงให้โยงให้ได้นะว่าอยู่เรียบง่ายกับใส่ใจโลกนี่มันมันโยงกันมากเลยมันสัมพันธ์กันถ้าเราอยากใส่ใจโลกให้มากขึ้นเราก็ต้องอยู่เรียบง่ายให้เป็นและเราจะอยู่เรียบง่ายให้เป็นหรืออยู่เรียบง่ายอย่างยั่งยืน mm hmm. ก็เพราะเราสามารถจะเข้าถึงความสุข ที่ประเสริฐความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการทําดีสร้างสรรสิ่งที่มีประโยชน์รวมทั้งความสุขที่เรียบง่ายเพียงแค่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมก็สุขแล้วหรือว่าเพียงแค่ได้อยู่ใต้ร่มไม้นะมันก็มีความสุขแล้วลองใคร่ครัวเรื่องนี้นะเราพยายามปรับเปลี่ยนวิธีชีวของเราปรับเปลี่ยนการบริโภคของเราให้มัน ทำลายธรรมาชาติน้อยลงและที่จริงแล้วมันก็จะดีกับเราเองนะเพราะมันทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตซึ่งมันทำให้ชีเราจเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอ้าวคำนี้ว่ากันเท่านี้นะอ้ากรับพ้าพรมกัน